ที่ไม่ชอบเนี่ยกรุยยาของคนส่วนใหญ่คือพยายามต่อสู้ผนละักไสขัดขคืนหรือว่าพยายามเอาชนะเพราะคิดว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยทำให้ความทุกข์น้อยลงเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ชอบก็เพราะว่ามันก่อทุกข์ สร้างปัญหาให้แต่บอ่อยครั้งเนี่ยการต่อสู้ขัดขืนผักใสแทนที่มันจะทำให้ความทุกข์น้อยลงกลับทำให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นก็ได้และบอ่อยครั้งเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากนะเพียงแค่หยุดต่อสู้ผักใสขัดขืน หรือเพียงแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยความทุกข์มันก็ลดลงไปเยอะบางทีมันลดลงไปถึงขั้นเนี่ยเรารู้สึกแปลกใจขึ้นมาเลยแล้วในหลายกรณีเนี่ยเพียงแค่ทำเชนนั้ น, นมันก็ทำให้ปัญหามันคลี่คลายได้ นี่พี่อยู่คนหนึ่งเธอไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยเรเวลา7วันเธอเคยไม่เคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยคอร์สนี่เขาปฏิบัติกันอย่างไรแต่เพียงแค่วันแรกนี่ก็ รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสงสัยว่าเราตัดสินใจผิดหรือเปล่านะเพราะว่าข้อให้นั่งทั้งวันซึ่งการนั่งทั้งวันนี่มันก็สาหรับคนที่ไม่เคยนี่มันก็สร้างความทุกข์ให้อย่างมากเลยพอถึงวันที่2เนี่ยนะทุกเวทนาเนี่ยจากการนั่ง นานๆหลายหลายชั่วโมงตลอดทั้งวันเนี่ยแล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับผู้หญิงคนนี้มากพอจังวันที่3เนี่ยไอ้ความเครียดความปวดความเมื่อยมันก็รุนแรงมากขึ้นเพียงกงนั่งต่อไปหลายชั่วโมงทั้งวัน จุดึงจุดนึงเนี่ยนะเธอรู้สึกมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันปวดเหลือเกินเวลานั่งแต่ละครั้งเนี่ยก็อยากจะให้มันจบจ บ, จบลงสักทีแต่ก็เวลาก็ดูเหมือนยืดยาวนั่งไปก็บ่นไปโอดครวนไปกาไม่ไหวแล้วปวดเหลือเกินปวดเหลือเกิน โดนถึงจนึเนี่ยบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วถ้านั่งนอกนานกว่า น, นี้ฉันตายแน่มันต้องมีทั้งปวดมีทั้งเกิดโทสะทั้งความหงุดหงิดแล้วยิ่งนั่งไปเรื่อยๆก็ยิ่งทรมานอย่างที่ไม่เคยเจอมา ก, ก่อนแล้วความรู้สึกนี้มันก็รุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งรู้สึกว่าไอ้ข้อเข่าเนี่ย มันจะแยกจากกันก็ดูนี่มันจะแยกจากกันเลยนะเพราะมันต้องนั่งนานๆรู้สึกว่าเนี่ยนั่งต่อไปไม่ไหวฉันตายแน่ฉันตายแน่กล้ามเนื้อนี่มันจะฉีกข่าวจากกันเลยเนี่ยในความรู้สึกนะนั่งต่อไปฉันไม่ไหวแน่ไม่ไหวฉันตายแน่แตายแน่แ วุ่นวายรุมร้อนไปหมดเลยนะแต่มีจุดหนึ่งนะจู่ๆก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าตายก็ตายวะพอมีเสียงนี้ขึ้นมาในหัวนะความเสืงเธอคือ ม, มันโล่งเลยนะมันโล่งเลยไอความทุกข์ทรมานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันทับถมมาเนี่ยมัน เหมือนกับละลายหายไปเลยที่จริงความปิดความเมื่อก็ยังอยู่นะยังมีอยู่แต่ว่ามันมันลดลงไปเยอะเลยความทุกข์มันหายไปไหนความทุกข์ก้อนใหญ่ๆเลยเพียงแค่อุทานขึ้นมาในใจว่าตายก็ตายวะ ความรู้สึกโล่งเกิดขึ้นแล้วทำให้เธอเนี่ยนั่งต่อไปได้และสุดก็นั่งปฏิบัติจนวจบคอร์สได้ทั้งๆ ท, งที่วันแรกวันที่2หรือวันยพรวันที่สามนี่ไม่ไหวแล้วถึงตายเฉยๆนะความรู้สึกการที่ความรู้สึกโล่ง ม, มันเกิดขึ้นกับเธอได้เนี่ยหลังจากที่มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าตายก็าตายวะเนี่ย ตอนนั้นเองที่เธอรู้สึกยอมรับได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทีแรกเนี่ยมันคิดถึงความตายนะว่าโอ้โหหนักปฏิบัติวันนี้ฉันตายแน่มันกลัวตื่นตหนกยิ่งอดครวนยิ่งคร่ำครวนซึ่งมันยิ่งทำให้ความทุกข์เนี่ยเพิ่มพูนขึ้น ความทุกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เกิดจากความปวดความเมื่อยในทางกายแต่มันเป็นความทุกข์ใจที่ไม่สามารถจะยอมรับไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นได้กลาเป็นเพราะว่ากลัวว่าถ้าหนักหนักกว่านี้ทำนานกว่านี้มันจะตายแงๆ้เลย ยิ่งก็ไม่ถึงตายแต่ความรู้สึกพอมันคลิปแบบนี้มันก็ตื่นตระหนกแต่ทันทีที่มีเสียงขึ้นมาในใจว่านะตายก็ตายวันจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดชี่ขาดเลยนะเป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันทําให้เธอยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้พอยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ย ไอการต่อสู้การผักใสการขัดขืนการอดครวญมันก็ลดลงพอลดลงเนี่ยความทุกข์ใจที่เกิดจากการผักไสต่อสู้เนี่ยมันก็เลือนหายไปด้วยอันนี้เลยทําให้เธอรู้สึกว่าเนี่ยความสึกโปร่งโล่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเธอม่ต้องทําอะไรมากนะ เพียงแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหามันจะต้องตายก็ตายก็ได้ไอการยอมรับเนี่ยมันทำให้ความทุกข์เนี่ยทุลาเบาบ า, บางในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยบางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนจะทำอะไรไม่ได้ อย่างเพียงคนนี้เนี่ยจะลุกขึ้นก็ไม่ได้จะเลือกปฏิบัติก็ใช่ที่มันก็นั่งเยียงนั้นแหละตากรรมเมื่อกว่าทําอะไรไม่ได้นอกจากโอดครวญแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ทําได้นะและจะช่วยได้มากคือยอมรับการยอมรับเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือมันแสดงออกจากการที่ มันมีเสียงในใจว่าตายก็ตายวะนี่คล้ายๆกับผู้หญิงคนหนึ่งนะไปกับเพื่อนนะ่ยเทร ก, กิ้งเทร ก, กิ้งก็คือเดินเขาที่ประเทศเนปาลมันก็เป็นจุดที่คนเนี่ยเดย่อหนุ่มสาวเนี่ยที่ชอบประจไภัย แล้วก็อยากจะเห็นทิวชัดอารังกานิยมเนี่ยเดินขึ้นเขาแต่ระดับความสูงนะซึ่งจุดหมายสูงสุดนั้ก็สุดยอดจริงก็ยอดเขาเอเวอเรสต์นะ8กิโลจากระดับน้ำทะเลแต่ว่านับปีนเขามือใหม่ส่วนใหญ่ก็ แค่พาตัวเองไปถึงเบสแคมป์เนี่ยเบสแคมป์นี่ก็คือค่ายที่อยู่เชิงเขาคิมาล์ไลเนี่ยหรือเชิงเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็ก็พอแล้วนะแต่แม่กระนั้นเนี่ยมันก็สูงนะสูงจากระดับน้ำทะเลนี่ห้า0ันเมตรแค่ ถ้าเกติกายขึ้นไปนี่ก็ยากอยู่แล้วยังต้องไปเจอกับอากาศที่เบาบางบางคนเนี่ยแค่ 4,000 เมตรนี่ก็จะแย่แล้วหรือบางที 3,000 เมตรก็ป่วยเลยนะอย่างคนที่ไปเมืองลาซาที่เบตเนี่ยลาซานี่ก็แค่ 3,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลบางก็ป่วยทั้งวันเลย ไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยแต่ปีงี้นนเนี่นะปีขึ้ไปเนี่ยจนถึงระดับ 5,000 เมตรแต่พอไปถึงนะไม่มีโอกาสที่จะชื่นชมในความสำเร็จเลยเพราะว่าป่วยนะอ่ามันเป็นโรคที่เกิดจากการอยู่บนที่สูงมากเกินไปอย่างรวดเร็วนะ ค่งทำให้ขาดออกซิเจนหรือออกซิเจนเนี่ยไม่เพียงพอหัวใจเต้นโดนปวดหัวอาเจียนแล้วก็หายใจได้ลำบากมากเป็นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่เท่าไหร่นะมันเป็นยาวหลายชั่วโมงตื่นตระหนกตกใจมากตอนนั้นมัน ไม่มีแม้กระทั่งความสามารถในการที่จะคิดนึกอะไรเลยหรือแม้กระทั่งการที่จะลุกขึ้นมานะกินน้ำหรือใช้ชีวิตตามปกตินอนอย่างเดียวหมดสภาพแล้วคนเราเนี่ยพอหายใจลำบากแล้วมันทรมานมากเลยก็พยายามเธอก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนนะแต่ว่า กินยายังไงก็ไม่หายต่อสู้ยังไงก็ไม่ไทําให้ดีขึ้นนึกถึงความตายขึ้นมายิ่งตื่นตหนกเข้าไปใหญ่จนจะมาชิ้งความตายจะเอาชีวิตมาชิ้งไว้ที่นี่หรือมันยอมรับไม่ได้นะที่ตัวเองต้องตายเนี่ยก็ยิ่งพยายามดิน้นรนกระเสือกสนแต่ยิ่งทำงั้นก็ยิ่งทําให้อาการแย่ลง หลังจากที่เป็นมาหลายชั่วโมงตลอดคืนเนี่ยแล้วก็ไม่มีสีท่าวัาจะดีขึ้นมีแต่แย่ลงนะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีจุดหนึ่งนะที่มีเสียงขึ้นมาในใจว่าตายก็ตายวะเธอบอกว่าพอมีเสียงนี้ขึ้นมานะ มันหยุดดิ้นเลยนะมันหยุดกร ะ, กระเสือกกระสนแล้วปรากฏว่าลมหายใจที่มันหายใจได้ลำบากเนี่ยมันก็เริ่มหายใจได้คล่องขึ้นมันเป็นลมหายใจที่แผ่วเบามากแต่แม้จะเผ่วเบาะนะแต่มันก็ทำให้เริ่มมีอาการดีขึ้นเรื่อย สุดท้ายเนี่ยนะก็สามารถที่จะลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งแล้วก็เริ่มที่จะกินน้ํากินอาหารได้จุดเปลี่ยนที่สําคัญเนี่ยก็ก็คือตอนที่มันมีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเนี่ยตายก็ตายวะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันแปลว่าร่างกายมันจิตใจมันยอมรับแล้วจิตใจมันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น พอมันยอลรดได้นอาการตื่นสนกเนี่ยมันก็บันเทาลงพอการตื่นสนกบันเทาลงในการดิ้นรนกระเสือกกระสนนะมันก็ลดลงไปด้วยความตื่นตห น, นกหายไปหัวใจที่มันเคยเต้นเร็วมันก็ค่อยๆลดระดับการเต้นลงการหายใจก็เริ่มที่จะหายใจได้คล่องขึ้น เพียงแค่ยอมรับนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันอาจจะหมายถึงความตายเนี่ยแต่พอยักบอกว่าตายก็ได้วะหรือตายก็ตายวะความตื่นตระหนกหายไปความเครียดนั้นก็ลดลงในการกระเสือกกระสนที่มันทำให้อาการแย่ลงมันก็ บรนเทาเบาๆไปด้วยสุดท้ายก็มีเ่ิกมีแรงกลับมาแล้วก็สามารถที่จะเดินนะลงเขาได้ในที่สุดทั้งสองกรณีนั้นก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้เราเป็นสถานการณ์ที่มันสร้างทุกขเวทนามากแต่ว่าสิ่งหนึ่ง ยังมีสิ่งที่ทำได้นะคือการยอมรับยอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นพอยอมรับได้นี่มันมันก็ช่วยทำให้ทั้งใจและกายเนี่ยนะกลับมากลับมาดีขึ้นบางครั้งเราคิดว่าเนี่ยต้องต่อสู้ต้องผักสายต้องขัดขืนเนี่ย กับสาการที่ทำอะไรไม่ได้แล้วเราไม่ร่วเนี่ยการทำง่ายมันทำให้แย่ลงเพราะว่าการบ่นวอยตีโตีภายเนี่ยมันก็เหมือนกับการซ้ำเติมจริงคนเราเวลาเจอปัสสักเจอปัญหาเนี่ยมันมีคุณธรรม หรือว่าธรรมะหลายอย่างนะที่มันช่วยเราได้เช่นความอดทนความเพียรพยายามความอดทนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งรอเราเย้ายวนแลย่างผสมกับความเพียรเนี่ยก็ทให้เราเนี่ย พยายามที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ย่อท้อต่อปัญหาพยายามต่อสู้เอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นมองง่ๆนี่ไอการยอมเนี่ยยอมหรือซิโรราบเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งตรงข้ามนะกับคุณธรรมที่ว่าเนี่ยคือขันติความอดทนคือความเพียร ใจจริงแล้วเนี่ยการยอมรับความจริงเนี่ยหรือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งตรงข้ามกับความตื่นตหนกมากกว่าความตื่นตนกความตกใจความการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อดครวนเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่คุณธรรมเลยนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่สร้างปัญหา ที่ทำให้ความทุกเนี่ยมาหลุนแรงมากขึ้นบางสาการเราก็ต้องใช้ความอดทนบางสาการเราต้องใช้ความเพียรเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ในบางครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรดีกว่าการยอมรับความจริงซึ่งมันไม่ใช่การยอมแพ้นะในการยักความจริงมันต้องใส่ความกล้าทีเดียว กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างสองคนเนี่ยที่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีเสียงในหัวว่าตายก็ตายวะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ความขลา้านะเป็นความกล้ากล้าที่จะยอมรับ ว, ว่าเออตายก็ได้ที่ยังสา ก, การเนี่ยมาจจะไม่ถึงตายก็ได้นะโดยภาษาการแรก แต่สาการที่สองเนี่ยตอนที่หายใจแทบไม่ได้เนี่ยเพราะอยู่บนที่สูงเนี่ย น, นีมันมันก็มีสิทธิ์ตายนะแล้วก็มีหลายคนตายมาแล้วแต่ว่าจํานวนไม่เล็ที่ตายเนี่ยเป็นเพราะว่าพยายามดิ้นรนขัดขืนต่อสู้เพราะยอมรับความตายไม่ได้ดึงถึงความตายก็เกิดความตื่นตระหนกตกใจกลัวยิ่งยิ่งกระเสือกกระสน ไอ้ที่เคยหายใจรวยลินอยู่แล่มก็พอตื่นตหนกมันก็ต้องการออกซิเจนมากขึ้นยิ่งทำให้สุขอาการแย่ลงแต่พอย่ารับความตายได้ตามันสงบพอสงบแล้วเนี่ยร่างกายมันก็ต้องการออกซิเจนเพียงแค่ออกซิเจนน้อยนิดมันก็พอจะอยู่ได้ก็ทำให้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ อาการนี้ต้องมาใช้ความกล้านะแล้วต้องมาใช้สติด้วยซึ่งมันตรงเข้าความตื่นตระหนกนั่นก็มีหลายคนหนะ้าที่เขารอดตายได้เนี่ยก็เพราะการที่ยอมรับความจรงิงยอมรับได้แม้จะต้องตายอย่างมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะเล่าว่าเนี่ยไปเที่ยวที่เกาะสมุย กับเพื่อนเล่นน้ําอยู่ดีๆเพราะว่าจู่ๆก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกคลื่นจากชายฝั่งนะมันพัดออกไปสู่ทะเลกว้างมากขึ้นเธอไม่รู้ว่าตอนนั้นเจอคลื่นทะเลดูดนะไอ้คลื่นทะเลดูดนี่นะบางทีมันก็โผล่มาแบบที่ไม่มีใคร คาดคิดนะหรือว่าบางทีมันก็เกิดขึ้นกับสถานที่บางแห่งสมุยก็ดีระยองก็ดีก็หลายคนเคยเคยเจอคลื่นทะเลดูดพอเจอคลื่นเนี่ยมันซัดออกไปสู่ทะเลเธอก็ตกใจพยายามไหวยเข้าฝั่งแต่ว่าคลื่นมันแรงมากไหวยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ปกว่าแพ้คลื่นนะ หวจนจะหมดแรงอยู่แล้วตอนนั้นคิดว่าตายแน่เพราะแรงกำลังจะหมดแล้วแล้วจู่ๆเธอเกิดรวบรวมสติขึ้นมานะแล้วก็คิดในใจว่าเออยอมตายตอนนั้นเนี่ยเตรียมใจพอรับความตายเลยพอเตรียมใจพอรับความตายนะ ก็เลิกแล้วเลิกที่จะวหวเข้าหาฝั่งลอยคอปล่อยให้คลื่นเนี่ยมันซัดไปตอนนั้นพร้อมตายแล้วแล้วก็คิดว่าตายแน่เธอเราตอนนั้นใจมันสงบมากเลยไม่มีความตื่นตระหนอกอะไรเลยมันสงบแต่สักพักก็ สังเกตรู้สึกว่าเนี่ยมันมีคลื่นมามาซัดตัวเองเนี่ยเข้าหาฝั่งนะมีคลื่นเนี่ยผลักตัวเองเข้าหาฝัง่งก็เลยเนะเหลียวมาเลยตั้งสตินะขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพระตัวเองเนี่ยหลุจักกระสายขึ้นไปแล้วเธอเลยรวบรวมกำลังเลยนะไหว้เข้าหาฝัง่ง ต น, นั้นก็หมดแรงแล้วแต่ก็ยังพอมีแรงอยู่บ้างเพื่อนๆที่เห็นที่อยู่ันฝั่งเห็นก็ไหว้น้ำเนี่ยนะมาผูิงเธอเนี่ยกลับเข้าฝั่งพอถึงฝั่งแล้วจึงรู้ว่าเนี่ยมันมีคนตายเนี่ยพอขึ้นทะเลดูดเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยหลายคนแล้วที่ตายเพราะอะไรนะตายเพราะพยายามที่จะว่งไหว้เข้าฝั่ง แต่ว่าทานกระสายคลื่นไม่ได้แล้วเกิดความตื่นตระหนกตกใจก็จำ้ำก็พยายามไหว้ไหว้แล้วไหว้ไหว้แล้วไหว้จนหมดแรงแล้วก็เลยจมเลยแต่เพิ่นเธอเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นนะการที่ปล่อยตัว ให้ลอยไปตามคลื่นเนี่ยมันก็ทำให้พอหมดแรงของคลื่นเนี่ ย, เ, ยเธอก็สามารถที่จะหลุดจากกระแสคลื่นได้แต่ว่าโองก็พาไปไกลเลยนะดีที่มีเพื่อมาช่วยนะพาเข้าฝั่งได้ถ้าเธอไม่รู้อะไในสถานาอย่างนี้เนี่ย สิ่งที่ควรทํก็คือว่าอย่าไหา้เข้าฝั่งแต่ไหวนะ้ขนานกับฝั่งคนที่ว่า้เข้าฝั่งเนี่ยเวลาเจอคลื่นทะเลเ ด, ดูเนี่ยตายทุกคนเลยที่ตายเพราะหมดแรงและที่หมดแรงเพราะว่าตื่นตหนกแต่ถ้าว้ตัดตัดกะแสาคลื่นเนี่ยหรือไหวยขนานกับฝั่งเนี่ย ไม่นานก็จะหลุดจากกระแสขึ้นเพราะว่ากระแสขึ้นเนี่ยมันมันกว้างไม่เกินสักห้าสิบเมตรหรือว่าแคบกว่า น, นั้นอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ควรจะมีนะคนที่เล่นน้ำเนี่ยเมื่อสองเดือนก่อนก็มีคนตายในยแถวหาดทุ่งวัลเลนบ้างแถวชุมพร ฟังว่าเนี่เพราะโดนคลื่นทะลดูดเนี่ยแล้วก็รับมือกับมันไม่เป็นเกิดความตื่นตระหนกแต่พียงคนนี้รอดได้เนี่ยนะทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องคลื่นทะเลดูดเนี่ยก็เพราะยอมรับยอมรับอะไรนะยอมรับว่าจะต้องตายพอยอมรับาจะต้องตายเนี่ยมันก็ก็เลย รอดมาได้จริงการยอมรับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเคล็ดลับที่เราควรจะมีนะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์องคนเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้โดยเพระมาเจอสิ่งที่ไม่ชอบไม่จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงหรือเหตุการณ์ รวมทั้งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นพอเจอเข้าเนี่ยยอมรับไม่ได้ก็ผลักใส่การผลักใสนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์แต่ตอน ท, ที่เรายอมรับได้เนี่ยความทุกข์ก็จะลดลงเช่นเสียงดังเนี่ยเสียงดังเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบพอไม่ชอบเป็นไงใจมันก็เกิดอาการต่อสู้ผลักใสแต่ถ้าเสียงไม่หายเนี่ย ยิ่งทุกข์ยิ่งหดหนิดเข้าไปใหญ่จนกระทั่งเกิดความโกรธและส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก้อนใหญ่เลยนะเกิดจากการที่ผักใสไม่ยอมรับไม่ใช่เกิดจากเสียงนะแต่เกิดจากใจของเราที่ไม่ยอมรับแต่ตอนที่ใจยอมรับได้นะความทุกข์มันลดลงไปเยอะเลยอันนี้ไปรวมก็รวมถึงความหนาวความร้อนหรือว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยแม้ะทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเช่นความเครยียดความหงุดหงิดน่พวกนี้เนี่ยก็ไม่มีใครชอบนะแต่พราะไม่ชอบเนี่ยจึงผักใสแล้วยิ่งผักใสเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์แต่พอยอมรับมันได้เดีนะ๋ยเพราะเธามีสติหรือว่าเธอรู้จักนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้ซื่อ แค่รู้สื่ อ, อเนี่ยคือรับรู้เฉยๆโดยที่ไม่ผักใสมันก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยลองสังเกตดูจะพบว่าเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเราผักใสมันเมื่อเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอเรายอมรับมันได้นะความทุกข์ก็ลดลง แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะคิดหาคิดอ่านหาวิธีว่าแล้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ถ้าเราเริ่มจากการต่อต้านผักสายเสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันคิดอะไรไม่ออกนะเพราะว่ามันเจอความทุกข์เจอความหงุดหงิดเจอความโกรธกุ้มรุมเล่นงานและบางทีก็ทำให้สาการเลวร้วายลงแต่สาการเนี่ยอาจจะดีขึ้นได้ ตัวรอดพ้นจากวิกฤตได้เนี่ยเพียงแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาคันพิพูดตอนนี้นะอากบ